ทำไมเราต้องกระตุน้นเตือนกันแล้วแล้วเๆเล่าเพราะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้สูงสุดคืออะไรเราเกิดมาเพื่ออะไรสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้อย่างสูงสุดคืออะไรเราก็พยายามที่จะตอบคำถามมันนั้นสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้สูงสุดคือความไม่ทุกข์ีความไม่ทุกข์มันก็ไม่ใช่จะนึกจะเดาเอาว่าเออไม่ทุกข์มันเป็นอย่างนี้แต่ต้องเห็นเหตุว่า ความไม่ทุกข์เป็นอย่างไรแล้วการทุกข์เป็นอย่างไรความไม่ทุกข์เป็นเป้าหมายสูงสุดไม่ทุกข์ตลอดไปนะไม่ใช่ทุกวันนี้ขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้ไม่ทุกข์ตลอดไปไม่ต้องเกิดมาทุกข์อีกถ้ามีการเกิดอีกก็มไม่ต้องทุกข์อีกถ้ามีการไม่เกิดอีกก็ไม่ต้องทุกข์อีกเป้าหมายของเราอันนั้นก็ตั้งใจเป็นเรื่องสําคัญนะตั้งใจเป็นสติตั้งสมาธิให้ดีเพราะเรากําลังทําความเข้าใจเรื่องสําคัญ ที่เราจะต้องไปทำมันมีผลต่อชีวิตของเราถ้าเรามานั่งทำไปวันๆโดยที่ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยมันเสียหายหลายอย่างต้องงานนี้ต้องได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันนั่นคือเราต้องพยายามตั้งสติตั้งสมาธิทาความเข้าใจเราเอาไปทำให้ถูกพอาฟังแล้วก็ผ่านไปไม่รู้ฟังกัน <c oughs> กี่รอบกี่หนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทาให้เราเสียเวลาได้ดังนั้นในการ ทำความรู้สึกตัวจะต้องมีความเพียรพยายามที่ถูกต้องด้วยนะถ้ารู้สึกตัวแต่ว่าความเพียรที่เราทำไม่ถูกต้องมันก็เลยเพียรแบบทิ้งๆนะเพราะนั้นในแง่ของนำมาทำมันก็มันรูประธรรมในฝ่ายรูประธรรมเราทำมาค้าขายทำกา ร, กรเกษตรทำการอะไรก็ตามนะมันก็มีผลออกมากเป็นรูประธรรมให้เราได้อยู่ได้กินได้ใช้ มันก็จะต้องมีความเพียรที่ถูกต้องเหมือนกันความเพียนไม่ถูกต้องก็นำไปสู่ความร่ำรวยความขาดทุนอะไรก็มากมายแต่เพียนไม่ถูกต้องในแง่ของนมามธรรมเหมือนกันเราบางคนปฏิบัติกันมาตลอดชีวิตก็ยังไม่ไปไหนก็มีเพราะความเพียนไม่ถูกต้องเราก็ไม่มีการขนขวายที่จะศึกษาว่าไอ้ทาไมทำแล้วมันไม่ได้ผลก็ต้องมาศึกษากันอย่างจริงจัง ทีนี่เพียนอย่างไรถึงจะได้ผลนะหลังจากที่เรารู้เรื่องของอสติปัาสีย่อให้เหลือสั้นเข้าเหลือสองคือรูปกับนามกายกับใจเมื่อย่อเหลือสองแล้วเราก็ยังเอาไม่ได้นี่โอ้ไม่รู้จะวางเนะเหลือสองกายกับใจรูปกับนามมันมีอะไรในกายเป็นทุกข์อย่างไรที่เราปฏิบัติเพื่อให้รู้สิ่งนี้ในกายมันทุกข์อย่างไร เราแก้ไขยอย่างไรเหตุของทุกข์ทางกายคืออะไรการดับทุกข์ทางกายเป็นอย่างไรเวลาวิธีการดับทุกข์ทางกายเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็ จ, จะทําความก็จะเลื่ให้แจ่มแจ้งเบืทุกข์ทางกายรู้ว่าความไม่สมดุลของ อ, อิยาบทความไม่สมดุลของการกระทําความไม่สมดุลของอารมณ์ความไม่สมดุลของอ อินฟ้าอากาศความไม่สมดุลของอาหารที่บริโภคเข้าไปความไม่พอดีการกระทําที่มากเกินไปก็เป็นเหตุของความทุกข์ทางกายคิดอารมณ์ที่มันไม่ดีมากเกินไปก็เป็นเหตุของทุกข์ทางกายอากาศที่หนาวเกินไปร้อนเกินไปก็เป็นเหตุของทุกข์ทางกายอาหารที่มากเกินไปน้อยเกินไปก็เป็นเหตุของทุกข์ทางกาย นี่เหตุถึงทุกขทางกายมีสอย่างนี้ทีนี้เราจะป ร, ะปรับยังไงให้การกระทําพอดอีความคิดแอารมณ์ที่พอดีที่ถูกต้องอากาศปรับให้พอดีหนาวขึ้นมาก็หาผ้าห่มหาอะไรบำบัดให้มันไม่หนาวเกินไปถ้าร้อนเกินไปก็หาวิธีที่จะต้องมีอะไรบําบัดให้ร้อนพอทนได้ความทุกทางกายก็ถูกแก้ไขนะ นึ่ในความผูดทางกายอีกทางหนึ่งความไม่สมดุลของการกระทำเรียกว่าเอริบอร์ดีคือกายกรรม <c oughs> ปรับเอิบอร์ไม่พอดียืนเดินกเอินไปนั่งเดินนั่งนานเกินไปเดินนานเกินไปนอนนานเกินไปเนี่ยนี่เขาเรียกว่าความไม่พอดีของกายกรรมความไม่พอดีของอารมณ์หรือจิตหรือนามก็คือไม่รู้จักบรรเทาในส่วนที่มันอพอใจเกินไป ไม่พอใจเกินไปแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เมื่อทไม่เข้าใจก็ทำไม่ถูกต้องอตัดความเกินไม่ไม่ได้เราไปแช่ไปจมไปติดอยู่ในความสบายไม่สบายแล้วก็ไม่รู้วิธีแก่อันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดตัวการแปรปรวนในร่างกายร่างกายก็ไม่สบาย อาหารก็เช่นเดียวกันถ้าทานมากเกินไปอิ่มมากเกินไปก็ไม่สบายหิวมากเกินไปก็ไม่สบายเยอะอาหารไม่ถูกธาตุเกินไปก็ไม่สบายทําให้เกิดการแปรลปนลปวดท้องปวดไส้อืดอัดนะอย่างนี้ก็ความแปรปนของคว่ า, ากรรมจิตอุตุอาหารความไม่พอดีของทั้งสี่ประการนี้เป็นเหตุของทุกข์ทางกายนะ ทีนี้มาดูว่าเราจะป้องกันทุกทางจิตได้อย่างไรก็มีหลักหมนกันนะและว้วก็หนึ่งอะไรที่เป็นเหตุของทุกทางกายให้ระวังถ้าเราไม่ระวังในทุกทางกายมันก็จะเข้าสู่จิตคือทุกทางจิตต้องให้ระวังอะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกทางจิตได้บ้างความสบายเกินไป ไปทุกข์ทางจิตได้อย่างไรเพราะสบายเกินไปแล้วมันแช่มันจมความแช่ควา ม, มจมก็นำไปสู่ความง่วงความชอบและความหลงในอารมณ์แล้วก็เผลอนี่พอเราไม่ระวังความทุกข์ทางกายแก้ไขบาบัดความทุกข์ทางกายไม่สมดุลก็ให้เกิดไปพอใจไม่พอใจในจิตทีนี้ เมื่อเราเระมัดระวังเต็มที่แล้วมันก็ยังเผลอเกิดจนได้เพราะอะไรเพราะสติปัญญาของเรายังไม่สมบูรณ์มันก็มาใช้กฎที่สองเมื่อรู้ว่ามันเผลอเกิดก็ต้องจัดการตัดทันทีแก้ไขทันทีบําบัดทันทีอ่เช่นนั่งนานเกินไปเผลอทําให้สบายง่วงซึมหรือหนักก็ปรับออก การปรลบอกคือตัดคือประหารคือขจัดคือบำบัดนี่คือตัดที่สมุทัยนะทุกต้องระวังสมุทัยต้องบำบัดต้องตัดต้องแก้อันที่สให้ปรับให้เสมอต้องปรับเปลี่ยนให้อยู่เสมอเสมอนะแล้วปรับเปลี่ยนอย่างรู้ เหตุ <H ate> รู้ผล ร, รู้กลรู้กายเข้ามันว่าทําไมมันจึงไม่พอดีแล้วปรับแล้วการตั้งใจปรับเมื่อปรับพอดีแล้วมันก็เกิดความปลอดโปร่งเบาสบายแล้วก็ตามดูแลความปลอดโปร่งเบาสบายนั้นให้เป็นไปทั้งทางกายและทางจิตอันนี้สี่อย่างหนึ่งเฝ้าระวังสอง เมื่อระวังเต็มที่แล้วมันไม่ได้เขาต้องจัดการเอาออกไปเมื่อจัดการออกออกไปได้ <c oughs> แล้วเขาต้องสร้างกำลังสติปัญญาที่จะต้องมาปรับให้มันพอดีสี่ก็คือเมื่อปรับให้พอดีแล้วรักษาความพอดีนั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เนี่ยอันนี้ก็กฎของการนั่นใช่ว่าสั ม, มปทานเพราะนั้นสติปัญฐาสี่จะ มีผลก็ต้องตามด้วยดักความเพียรที่ว่าสัมมาวายามะสี่ประการนี้อื่เอาจะเห็นว่ามันมันไม่ยากนะแต่ว่าความที่เรายังไม่คุ้นนะพอเราอยู่กับความเคยชินมาตลอดชีวิตของเราเนี่ยมันไม่คุ้นที่จะมาทําแบบนี้ดังนั้นมันก็เหมือนการมาศึกษาใหม่ศึกษาในเรื่องใหม่เมื่อศึกษาเรื่องใหม่เราก็ต้องเอาใจใส่ว่า เ, ออเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นรูปธรรม ฝ่ายเดียวนะมันเป็นเรื่องของนามธรรมาด้วยในส่วนของการศึกษาที่เป็นรูปธรรมเนี่ยเราทำคงเราจนว่ามีอยู่มีกินมีหลักมีฐานพึ่งตัวเองได้มีการศึกษาเรียนรู้อะไรที่เป็นรูปธรรมมาเดิงทางมาหากินถ้าเป็นเรื่องของรูปเรื่องของฝ่ายกายแต่พอพอมาที่จะทําให้จิตของเราในะมีที่พึ่งงา่ายใสมีความสบายเหมือนกายบ้างเราก็ต้องมาเรียนเรื่องของ นามนะานามมีลักษณะอย่างไรนามมีความรู้กายความรู้สึกทางกายนีย่ที่เราสวดไปเมื่อกี้ว่าเรื่องเวทนานะความรู้สึกที่เป็นเวทนาก็มีสามอย่างนะสุขขังเวทนาเวทยียาโนเมื่อรู้สึกสบายก็ให้รู้ว่ารู้สึกสบายนะทุขังเวทนาเวทียามีติปชาติทีให้รู้ชั ด, ชด หรือว่านี้ความรู้สึกสบายนะให้รู้ชัดๆว่าสามีสังสุขังเวทนาเวทิยะมนความรู้สึกสบายเนี่ยมีเหตุกระตุต้นให้เกิดมันไม่ได้เกิดเองก็ให้รู้ชัดๆว่าไอ้ความรู้สึกสบายเนี่ยมันมีเหตุกระตุ้นให้เกิดเช่นความสบายตามีรูปสวยๆกระตุ้นให้เกิดความชอบใจความสบายตา ความสบายหูเสียงเพลา ะ, เ, าะเป็นเหตุให้เกิดความพอใจอความสบายจมูกกินที่หอมก็เกิดความพอใจถ้าไปกินขี้วาวขี้ควายช่วยมาก็รู้สึกอึดอัดไม่พอใจก็ให้รู้ชัดว่าเออเนี่ยมันกินขีวัวรู้สึกได้กินมาหลายวันแนละ้วขี้วัวนะมันใส่คออหัวอยู่ใกล้ๆนี่นะอ่เช้ชาๆมาได้กินเป็นประจำนีความสบาย ลิ้นสักพักหนึ่งเราก็จะได้รับอาหารถูกปากถูกรสก็รู้สึกสบายก็ทานได้เยอะพอใจหรืออาหารไม่ถูกปากไม่ถูกรสรู้สึกไม่อยากทานไม่พอใจนี่ที่เราสวดมามันในเรื่องนี้เท่านั้นนะแต่ว่าเราไม่ได้ถอดบทไม่ถอดบทเรียนออกมาเราก็เลยตีบทไม่แตกนึกว่าเป็นเรื่องสวดอะไรก็ไม่รู้สับไปสับมา แต่คนจริงคือมีการตอกย้ําจะเป็นพระคนละภาษาเท่านั้นเองแต่บังเอิญว่าอจะมาได้เรียนภาษาบาลีมาด้วยมันก็เลยถอดบทเรียนตรงนี้ได้อืมอันนี้ในส่วนที่เป็นเรื่องของอ่าส่วนที่เป็นเรื่องของเหยื่อที่กระตุ้นให้เกิดความพอใจในส่วนที่กระตุ้นให้เกิดความไม่พอใจท่า น, นก็บอกว่าทุกครังเวนังเวทียะมาโนเมื่อเมื่อมีความรู้สึกไม่สบายขึ้นมา ทุกขังเวทนาเวทยามีติประชานติให้รู้ชัดๆว่านี่คือความไม่สบายความสบายไม่ใช่เราเราไม่ใช่ความสบายแต่ความสบายคือความไม่สบายเนี่ยให้รู้ชัดๆแบบเนี้ยคำ ว, ว่าประชานติคือรู้ให้แจ่มแจ้งรู้ให้ชัดเจนรู้ให้สว่างคำว่าประชานติบางครั้งมันเกิดข้องมันเองเยงความรู้สึกไม่สบายเนี่ยไม่รู้มาจากไหนนะบางครั้งมันมีสิ่งกระตุ้น ความไม่สบายตาได้ดูรูปที่ไม่ถูกตาความไม่สบายหูได้ฟังเสียงที่ไม่ถูกหูความไม่สบายจมูกได้กลิ่นที่ไม่ถูกจมูกความไม่สบายลิ้นไดอรสที่ไม่อร่อยความไม่สบายกายได้สัมผัสที่หนาวเกินไปร้อนเกินไปความไม่สบายใจได้อารมณ์ที่ไม่ถูกใจเนี่ยความไม่สบายมีส่วนก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเป็น อา mith ท่านบอกสามิสังทุกขังเวทนางเว ท, ทียามีติประชานาติเป็นนามิตรคือเป็นเหยื่อล่อให้เกิดบางทีอันที่สามท่านบอกว่าอาทุกขะมะสุขังเวทนางเว ท, ท, เว ท, ทียมามโนบางครั้งทั้งความพอใจไม่พอใจความสุขความทุกข์ก็ไม่ได้มีเหตุนะแต่ว่ามันเกิดความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเหงาความรู้สึกเส็งโดยที่ไม่มีสาเหตุ บางครั้งมันก็เกิดท่านก็บอกว่าอทุกรรมาสวงเวทนาเวทียามีติประชัยให้รู้ชัดชัดนะให้รู้ชัดชัดว่าไอ้ไอ้ความไม่ชัดระหว่างสุขทุกข์เนี่ยก็ให้เกิดความไม่ชัดให้รู้มันมัวมัวเบอร์เบอมันสลืมสลือจะว่าทุกขก็ไม่ใช่จะว่าสุข ก, ก็ไม่ใช่แต่ว่าเราหลงหลงไปอยู่กับอารมณ์อื่น แต่บางครั้งไอ้ความโมโมเบลก็มีเหตุให้เกิดสา ม, มีสังอธุขามา ส, สขังเวทนาเวทยามีติประชานติเมื่อมีเหตุให้เกิดความรู้ไม่ชัดก็ให้รู้ลงไปชัดๆอีกทีหนึ่งกระตุ้นความรู้สึกให้มันชัดก็อีกทีหนึ่งรู้ซ้ําลงไปอีกทีหนึ่ ง, ง, งว่าอะไรกันแน่เนี่ยที่เกิดเนี่ยรู้ลงไปชัดๆลักษณะนี้ท่านบอกว่าเนี่ยคือเวทนาทั้งหมดให้มันมีความหนึ่งความรู้สึกสบายความรู้สึกไม่สบาย ความรู้สึกไม่ชัดที่ทั้งที่เกิดขึ้นเองและทั้งที่มีเหยื่อล่อให้เกิด น, นี่คือหลักแต่ว่าถ้าเราไม่รู้รายละเอียดชัดเจนที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่างนี้เราก็ดูมั่วๆไปงั้นแหละไอ้ความมั่วๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นโมหะตลอดทั้งทั้งที่ปฏิบัติภาวนาอยู่แต่ทำไมมันไม่ไปหน้ามาหลัง ิบัิสามปีหปีก็ยังเหมือนเดิมก็ว่าเราทำด้วยโมหะไม่ได้ทําด้วยปัญญาเราไม่ต้องการรับรู้รายละเอียดลังเกียดว่าเออ น, นี่เป็นทฤษฎีอันนี้เป็นวิชาการอันนี้เป็นบาลีลังเกียดไปโน่นเลยไม่ยอมนําไปพินิจพิจารณาใครค่ครวญให้มันชัดว่าอะไรเป็นอะไรความแยกใครก็ไม่เกิดอยู่นิสสมนิสีการก็ไม่เกิดแล้วปัญญามันจะมาจากไหน อ, อันนี้คือเหตุว่าทําไมเราต้องแจงในรายละเอียด เพื่อให้ทำด้วยความเข้าใจนะเวลาเราไปทำเราก็จะรู้สึกเต็มใจทำรู้สึกตั้งใจทำรู้สึกเห็นความสำคัญแม้สิ่งเล็กๆน้อยๆจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินจะขยับกระเยื่นเคลื่อนไหวเข้าไปใส่ใจกับมันนี่คือผลของการที่เราเข้าไปรู้จักในรายละเอียดเราจะใส่ใจในส่วนหน่วยเล็กๆของการกระทำ นะทุกอย่างในโลกนี้มันเกิดมาจากหน่วยเล็กที่สุดหละแล้วมันก็ขยายไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราต้องการที่จะขจัดในส่วนที่มันหยาบหยาบซึ่งเป็นผลเนี่ยอย่างความไม่สบายเนี่ยเป็นความรู้สึกที่หยาบละความรู้สึกสบายเป็นความรู้สึกที่ละเอียดความรู้สึกที่ไม่ชัดมันก็เป็นละเอียดยิ่งลงไปอีกเราก็ตามรู้ทั้งสามเลยมันไม่ชัดเป็นยังไงทให้มันชัดชัดแล้วออกมาเออนี้มันสุขเอออันนี้มันทุกข์ ชัดพอเห็นชัดเราจะเอาอะไรล่ะจะเอาสุกเลยทุกเหลือไม่สุกไม่ทุกมันก็สามารถจะเลือกได้ล่ะเพราะเห็นชัดเหมือนกับเราไปเลือกของในในตะ ก, กร้าตะบุงที่มันมีทั้งแกลมีทั้งข้าวสารมีทั้งข้าวเปลือกมีทั้งราปนก็อยู่เนี่ยแล้วเราจะเลือกเอาอะไรถ้าเราเห็นไม่ชัดเนี่ยเราก็เอาทั้งหมดเวลาไปกินกินทั้งเปลือกทั้งราทั้งข้าวสาร อ่าไปหงูงไปต่มเ็ากินไม่สนุกละที่เนี้ยเพราะเราไม่ชัดว่าอะไรเป็นเปลือกเบรเป็นแกบอะไรเป็นลำอะไรเป็นเม็ดข้าวสารที่ยังไม่ได้ปอกเวลาเราไปลงสีลงสีที่ไม่ดีเนี่ยมันมีก า, กากเยอะเลยใช่ไหเหมือนกันเมื่อการไครครวรการพิจารณาที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่สามารถกันกรองเอาตัวอะไรเป็นลูกอะไรเป็นนามอะไรเป็นความรู้สึกทางกายอะไรเป็นความรู้สึกทางจิต อะไรเป็นความพอใจอะไรเป็นความไม่พอใจเราไม่สามารถจะไปแยกนี่ให้ชัดเจนได้มันก็รวบรวมมั่วๆไปอย่างนั้นเหมือนกครค่อยสารที่เสียออกมามันมันปนกากปนแก่ปนรำเราไปกินก็ไม่อร่อยเห <c oughs> มือนกันถ้าเราแยกสภาวะเหล่านี้ออกมาไม่ชัดเวลาอะไรมากระทบปั๊บเราไม่มีการแยกแยะให้เห็นอะไรชัดเจนแล้วก็เอาทั้งหมดเลยลวกทั้งหมดเลย ผิดมันก <olo> ็ไม <te ga seguridad accessible> ่สบายละเพราะมันเอาทั้งถูกทั้งผิดทั้งดีทั้งชั่วทั้งง่วงทั้งเกล้าทั้งเบื่อทั้งขี้เกียจไปปนกันหมดเลยไม่ได้แยกสภาวะเห็นว่าเอออันนี้มันเบื่อนะมันเป็นอย่างนี้ดูมันให้ชัดชัดเอออันนี้มันง่วงนะมันเป็นอย่างนี้ดูให้มันชัดชัอันนี้มันฟุ้งซ่านนะมันเป็นอย่างนี้ดูให้มันชัดชัอันนี้มันสงสัยนะดูให้มันชัดชัดูชัดเป็นอย่างไปอย่างก็อันไหนไม่ต้องการดึงออกไปเอออันนี้ความปรุงเบาสบายเออเราต้องการเอา ดูแลรักษาไว้เหมือนเราเอาเลือกเขาเขาสารล้วนๆมาหุงมาต้มมันก็กินสบายกินอร่อยไม่เกิดโทษนะนี่เหตุของการทําการวิจัยเพื่อให้เลือกเอเลือกเฟ้นคําว่าวิจัยยาเนี่ยเพระว่าเลือกเฟ้นเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่เราต้องการออกมาเอาสิ่งที่มไม่พึงปรารถนาออกไปความง่วงเราไม่ปรารถนาแต่มันเกิด อ, ะอ่ะทําไงเราก็เลือกเอาส่วนที่ไม่ง่วงออกมา ความเบื่อเป็นสิ่งที่ไม่ปรารถนาแต่มันก็เกิดมาด้วยกันเพราะเป็นธรรมชาติปลาทั้งตัวนี้มีเต่นเนื้ออย่างเดิมเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีก้างมีขี้มีเกิดใช่ไหมแต่เวลาเรากินเราต้องเลือกข้าวมันมีต้งเป็นข้าวเปลือกมาก่อนนะเราจะกินแล้วก็ต้องมาคัดเลือกมาผ่านลงสีมาผ่านลงบทนะเหมือนกันตัววิปัสสนาที่เราทำนะ่ะมันก็เหมือนกับลงบทลงสีเพื่อการคัดเลือกแต่ในและ ร า, ายละเอียดที่จะไปคัดเลือกอย่งางไรออกมาเป็นสภาวะที่เราหึงปรารถนาเนี่ ย, ยต้องใช้รายละเอียดทางสติปัญญาเพราะนั้นเราจึงสั่งสมสติปัญญาไม่หยุดไม่หย่อนเพราะมันใช้มากนะมันใช้มากทำไมาจึงใช้มากก็เรามืดมานานเราต้องใช้ไฟสปอร์ตไลท์ไฟฉายเยอะก็ตึงเตรียมนะ ตเตรียมไว้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่การทํากรรมฐานการตามกํานหมดรู้เหตุผลเพื่ออะไรเหตุผลว่าเพื่อการเตรียมสติปัญญาให้พร้อมที่จะคัดเลือกและรองรับสิ่งที่มากระทบทางกายทางใจเราตลอดเวลากระทบตลอดเวลาลืมตาปั๊บก็เห็นแล้วรูปสวยไม่สวยให้ชอบไม่ชอบพอพูดปั๊บก็ได้ยินแล้วเสียงเพราะไม่เพราะใช่ไม่ใช่ กิ่นในรสสัมผัสก็ลักษณะเดียวกันซึ่งจะต้องมีการคัดกันเลือกก า, าใช้อยู่ตลอดเวลาในะเรื่องของวัตถุเนี่ยเรายังใช้บางข้างบางค่าวที่จำเป็นแต่งเงี้ยของนาธรรมมันตลอดเวลาเลยทีเดียวมันตลอดเวลา น, นั้นเองเราก็ต้องมีคุณสมบัติพิเศษอย่างที่กล่าวมาคุณจะต้องมีความรักที่จะทำและมีความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษา เพะนั้นในคุณสุบัติห้าประการของนักปฏิบัติจะต้องมีศรัทธามีความเพียรศรัทธาคือมีความรักระบวกฉันทะวิริยะเข้าไปอืมฉันทะวิริยะเข้าไปฉันทะเพราะไปความรักศรัทธาในความเชื่อแล้วก็รักที่จะทําแล้วมีความเพียรเพราะนั้นในฉันทะสี่กับตัว 5, อีสีห้าคล้ายกันฉันทะคือความศรัทธาอันเดียวกันวิริยะและวิริยะในอีสีห้าก็มีวิริยะในอิธิบ่ายสีก็มีวิริยะเพราะฉะนั้นเราก็ถอดออกมาใช้ว่าเออเพียรที่จะทําขยันยกขยันเดิน ข, ขยันกําหนดขยันตามรู้ขยันตามรู้ไม่ว่าอีบทเล็กๆน้อยตามรู้ได้หมดนะจะขยับซ้ายย้ายขวา ตามรู้ตามรู้อย่างมีความศรัทธาไม่ใช่ถูกว่าอาจารย์บังคับบอกให้รู้อาจารย์บอกให้ทําไม่ใช่แต่เราเข้าใจแล้วเลยจึงทำลงไปว่าอไอ้การตามรู้นี่นะมันช่วยให้จิตอยู่ปัจจุบันได้ง่ายถ้าไมไ่ตามรู้จิตมันออกจากปัจจุบันได้เร็วได้ออกไปไวเพราะฉะนั้นการตามรู้ชัดๆทําให้จิตกลับมาอยู่ปัจจุบันได้ง่ายขึ้น เมื again, ่อจิตปัจจุบันได้ง่ายขึ้นก็ไม่เป็นภาระที่ต้องแบกความคิดที่เป็นอดีตอนาคตกายก็เบาจิตก็เบาเมื่อกายเบาจิตเบามันเขาเข้าเป้าหมายว่ามันจะทําให้เกิดสติปัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาได้ง่ายถ้ากายหนักจิตหนักเป็นเหตุใกล้ให้เกิดโมหะเกิดอวิชชาได้ง่ายถ้ากายเบาจิตเบาเป็นเหตุกล้ให้เกิดสติปัญญาได้ง่ายเราก็อยดึงได้ตามดึงจิตกลับมาอยู่ปัจจุบันเพราะจิตปัจจุบันแล้วกายเบาจิตเบา พอจิตออกปัจจุบันปับ๊บกายหนักจิตก็หนักแต่เราเนื่องจากอยู่กับมันจนชินเรารู้สึกไม่รู้สึกหนักอะไรเวลาเราคิดนะแต่เวลาปฏิบัติไปนานๆะเราจะรู้ว่าโอ้ไม่อยากจะคิดอะไรเลยคิดทีไรมันหนักที่นั้นไม่ว่าคิดดีคิดชั่วเหมือนกับเราจะดื่มน้ําเนี่ยถ้าใช้แล้วเนี่ยเราก็ถือไว้เงี้ยดีไหมฉันชอบด้วยอเกินน้ำมันเนี่ยก็ถือกอดไว้เงี้ยเราจะไปทําอะไรได้ใช่ไหมพอใช้เสร็จแล้วจบแล้วก็คือหมดหน้าที่ อันนี้ของดีนะก็ใช้แต่จบแล้วก็ต้องวางอันนี้ของไม่ดีไม่ได้ใช้แต่ว่าเอามาพิจารณาว่าจะทำงานให้มันออกไปก็ต้องถือมาพอล้างเสร็จมูลนิธก็เก็บไว้เหมือนกันมันทั้งดีทั้งไม่ดีเป็นเพียงใช้เพียงเพียงชั่วคราวแก้วนี้อาจจะใส่ทั้งยาและใส่ทั้งของของอร่อยเนี่ยพอดื่มเสร็จแล้วก็วาง ความดีและไม่ดีความคิดดีไม่ดีก็ใช้แล้วก็ปล่อยวางแล้วล้างจิตให้สะอาดไว้เหมือนแก้วเนี่ยไม่ว่าของดีไม่ดีใช้เสร็จแล้วก็ต้องล้างแก้วให้สะอาดเอาไว้เพื่อมันจะพร้อมที่จะใช้ในข่าวต่อไปจิตของเราเหมือนกับประจําวันมันคิดทั้งดีและไม่ดีพอคิดแล้วก็ทิ้งไปเพื่อให้จิตมันว่างพระจิตมันว่างมันพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ต่อไปได้นั้นถ้าบอกว่าทําไมถึงว่าชําระจิต ในวันมาข้ามเมื่อวานเนี่ยสภาวปาปะภาษากระนังถ้าไม่จําเป็นอย่าเอาแก้วไปใส่ของไม่ดีกุสลุกุสระชูปสัมาทาถ้าจําเป็นเอาแก้วไปใส่ของที่ดีแต่ทั้างของดีไม่ดีชําระจิตให้ผ่องใสคือล้างแก้วให้สะอาดเช่พร้อมที่จะไปใส่สิ่งใหม่ น, นี่คือความหมายสามประการในคาสอนแต่เราเนื่องจะเราถอดบทเรียนไม่เป็นเราดีความหมายไม่ออกเราก็มั่วๆไปงั้นแหละมันไม่ชัดนะดังนั้นวันนี้เราจะไปะต้องไป ทำตัวนี้นะเรื่องเปลี่ยนนิริบทด้วยสติสมัมปชญะบวกกับของเมื่อวานเรื่องของสติสัมปชัญญะเมื่อวันก่อนวันแรกสติวันที่สองวันที่สามวันนี้เอาไปทำโดยปรับโดยใช้สติสัมปัญญตลอดแล้วก็การเคลื่อนไหวเล็กเกน้อยขึ้นอยู่ความสามารถของแต่ละคนน่ะ<ด>นี่นก็ขออนุโมนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะศึกษาเรียนรู้ให้ แจ่มแจง้งเข้าใจภายในเวลาอันใกลน้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ